รากันใอย่างนั้นใหญ่บนท้องฟ้าน่ะมีแสงสว่างจ้าเลยนะโอ้ช่างงดงามไพศาพลเหมือนสายฟ้าจากสู่สว่างแล้วยังมีเสียงฟ้ารองขึ้นคันเสียงสัพทัพทดังสนั่นวนไหวเฮ้อว ด, ด, ด, ดีดีข้าจะตาบอดประดาดูแบบมองเห็นได้ ย, ยังไงกันเนี่ยอ้ีนี่ฉันนั่นงที่เคยหุ่นดว่างเป็นไป ตอนนี้ได้ยินฉันเองก็พูดได้ด้วยโอ้โหมันนาดีใจจริงๆนั่นนะสิงนั่านะสิอยู่ดีๆทำไมถึงเกิดสิงอสัจจันรอย่างนี้มีดาโบชราเดินมาพวกเราไปถามท่านกันดีกว่าไปแล้วไปแล้วรู้รู้ว่าพวกเจ้าดื่นเต้นกันด้วยเรื่องอะไร ที่โลกธาตุวานไวย์เ่นี้ก็เพราะมีมุ่งมีบุญญาบารบมีมาบังเกิดย่อมจะสถือนเลือ่อนลัดไปทั่วแผ่นดิงแผ่นฝาแม้จะ<อ>เทพยาดาทั้งหลายก็น่าจะยินดีปริดากันชวนหน้ากันเลยจริงจริงจลยจ ยดีทุกท่านได้สดับกันแล้วใช่ไหมว่าอย่างไรองค์อมรินข้าพเจ้าก็ได้ยินและสดับรับรู้เช่นเดียวกับพวกท่านพระพรมโพนิสัตกําลังจะประสูติจากคันพระมารดาถ้าเช่นนั้นพวกเราไม่ควรชักช้ารีพากันไปรับเสด็จ ก, กันดีกว่าช้าก่อนท่านเถิดพวกเราแม้ไม่มีซึ่งกิเลสแต่ก็อยู่ในสภาวะบุรุษเพศยมีทุกันที่จะเข้าไปใกล้ชิพระราชาวีแล้วเราจะทําอย่างไรดีละ่ะท่านเท้ามาหาพรหม เาเษจะนำปัาขายทองเข้ารองรับพระราชดส่วนองค์อัรินท์่านและกเท้าจะตุโลกบาลทั้งสี่มเข้าสิงสู่ในมูลนากันเพื่อประคับประกอบพระราชเทวีก็จะไม่มีปัญหาอันใดงั้นพวกเราก็รีบไปที่ส่วนลุมพินีอันเป็นที่ประสูตรของพระบรมโพธิสัตร์กันดีกว่า คุณเท้าโสภาพอเสียงฟ้าเงียบไปเหลือไว้แต่แสงสว่างจ้าในเวลาบ่ายเจ้าพี่สิริมห า, มายาที่ประทับยืนอยู่ใต้ต้นสาละก็ประสูตรพระโอรสทันทีพระโอรสประสูตดต่างจากคนทั่วไปเพราะไม่มีเสียงร้องและทรงเอาพระบาทออกมาก่อนด้วยเพค้าพระมเหสีรองแล้วก็มีประกายเหมือนกับตะข่ายทองมารองรับพระองค์ไว พานางกำนันเข้าไปประคองก็ท่องลุกขึ้นผินพระพักไปทางทิศอุดรแล้วเสด็จไปเจ็ก้าแล้วเหมือนจะตัดกับพวกเราทุกคนเลยล่ะคุณเทา้าข้าพเจ้าผู้ประเสริฐได้บังเกิดแล้วและชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายไม่มีการเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปทุกท่านนำเสด็จพระโอรส กลับมาหาเรานี่มีอันใดหรือท่านอำมาตขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าเมื่อพระราชเทวีทรงมีพระประสุติกาแล้วน่าจะทรงพาพระราชโอรสเสด็จกลับไปเฝ้าองค์เหนือหัวสุดโทธนะที่กรุงกบิลพั์ก่อนพระเจ้าค่ะที่ท่านอำมาต ถ, ถวายคำแนะนำน้องก็เห็นด้วยนะเพคะเจ้าพี่ พี่ก็รู้สึกไม่ใคร่สบายร่างกายอ่อนแออยู่เหมือนกันประชาปดีตกลงเราย้อนกลับกันดีกว่าท่านอำมาตย์ช่วยสั่งให้วร์มารับเราได้แล้วล่ะรับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะนำศีวิการมารับพระมเหสีและพระราชโอรสแล้วก็เดินทางกลับเข้าเมืองเดี๋ยวนี้ ในวันที่พระมหาบุรุษประสูตินั้นมีสหชาติที่มาเกิดพร้อมกันเจ็ดประการคือพระพิมพายโสธรานีพระอนุลเพื่อเป็นพระราชโชรสพระเจ้ามิตราโทนาซึ่งเป็นพระเจ้าอานการุทายีอ ม, มาตย น, น, นึ่งในชนะหนึ่งม้ากันทกะอสวรรค์หนึ่งไม้มหาโพนึงและขุมทองทั้งสี่ที่จะขนทองไปสักเท่าไหร่ก็ยังเต็มอยู่ตลอดเวลา พระเจ้าสุโธธนาพระราชบิดาทรงจัดให้มีพระราชพิธีสมโภชรับปันและเชิญพระมณาจารย์ร้อยแปดมาเข้าฟัาก่อนจะทรงคัดเลือกเหลือเพียงแปดคนที่ทรงคุณวิทยากว่าใครๆและพระ้อมค์หนึ่งในแปดนั้นมีนามว่าโกนทัญญาทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ ท่านทั้งแปดตอนก็ได้พิจารณารูปร่างลักษณะของลูกชายของเราอย่างทุ่นทีคาดว่าคงจะมีความคิดเห็นเป็นประการใดกันบ้างแล้วใช่ไหมโอ้เดชาผู้ข้าบัมเจาส่วนใหญ่ถึ้งเจ็ดคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพระราชรลัทมีลักษณะมหาบุรุษอันเป็นเลิศถึงสามสิบสมประการในภายหน้า จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือกษัตราธิทรอดถูกยิ่งใหญ่กว่าพระมหากษัตริย์โลกใดในชมพูทวีปนี้พระพุทธเจ้าค่ะแล้วพระมิท่านเหรอไม่เห็นด้วยหรือไงขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าโกทัญญะพราหม่มีความเห็นต่างออกไปพระพุทธเจ้าค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรก็บอกมาได้เลยโกทัญญาเรารับรองว่าจะไม่ถือโทษหรือว่าเอาผิดต่อท่านเป็นพระมหากรุณาพระพุทธเจ้าค่ะ ข้าพุทธเจ้าเห็นด้วยกับท่านพราหมณ์ผู้ใหญ่ที่ว่าพระราชโอรสทรงมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการแต่ไม่คิดว่าจ ะ, สะเสด็จผ่านไอสวรรยราทสมบัติเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพระพุทธเจ้าค่ะเราท่านคิดว่าลูกชายข้าจะเป็นอะไราในวันหน้าละ่ะกกนธัญญาขอเดชะข้า พ, พุทธเจ้าคิดว่าพระราชโอรสจ ะ, สะเสด็จออกบรรพชาและตัดสรุป เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะ ความคิดเห็นของพราหมณ์หนุ่มอย่างกนธัญญคนเดียวสเสด็จพี่ไม่น่าจะกังวลพระไทยจนต้องสเสด็จพระราชดำเนินวนไปวนมาอย่างนี้เลยนี่เพคะอืพี่หน้ายังไม่เท่าไลรยหรอกประชาพดีแต่ว่ามายาพี่สาวคนน้อง น, นะสิถึงก็ร้อป่วยเลยเห็นไหมที่หม่อมชั้นได้ไข้เป็นเพราะร่างกายอ่อนแอเพค ะ, สะเสด็จพี่และเนื่องจากมีคันถึงสิบเดือนพอดี บางทีหม่อมฉันอาจจะไม่ได้อยู่ดูจนลูกเติบใหญ่เจริญไหวก็เป็นได้เพคะพูดอะไรอย่างนั้นน้าน้นมหญิงลูกเราคงไม่เป็นเหตุให้น้องต้องจากไปก่อนเวลาสมควรจริงๆแล้วนะลูกชายเราเป็นผู้มีบุญญาธิการเพคะเมื่อเคยอยู่ในคันของหม่อมฉันจึงไม่สมควรให้มีผู้ใดมาอยู่สามในที่เดียวกันอีกต่อไป ถึงหม่อมฉันชีวิตจะหาไม่ก็คงจะได้อาศัยอันิสงส์จากผลบุญเกื้อหนุนให้ไปบังเกิดในเทวโลกเพคะถ้าน้องหญิงทิ้งไปแล้วพี่กรรับลูกจะทำยังไงล่ะเรายังมีประชาบดีที่จงรักภักดีและรักหลานปานหม่อมฉันที่เป็นมารดาเพคะจูพี่อย่าตัดเช่นนี้สิเพคะ น้องเชื่อว่าเจ้าพี่จะต้องหายและอยู่เชื่นชมบุญญาของพระโอรสต่อไปได้จนถึงวันที่จะทรงเห็นว่าเมื่อทรงเจริญวัยจะได้เป็นอะไรกันแน่เพคะต้องเป็นกษัตริย์สี่ประชาบดีลูกชายพิการสิริมหามายาต้องเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในภายภาคหนา้า สิ่งที่เป็นข้าเห็นในสิ่งที่ไปมีอะไรหรืท่านกาวเทวินดาบท์ข้าพเจ้าเห็นท่านหลับตาเข้าฌานนานนับปีจนสําเร็จสมาบัติแปและอภิน ญ, ญาวันนี้พอลืมตาก็บอกว่าขารู้ข้าเห็นก็ข้าเห็นพระราชาเทวีแห่งกรุงกัปินรพัฒ มีประสูติการพระมาหาบุรุษนั่นอยู่ไกลถึงโลกมนุษย์เชียวนะทันดาบทและข้ายังได้ยินองค์อมรินทันเป่งสาทุกการกับถวยเท พ, พ ย, ยดาทั้งหลายตอนนั้นพวกข้าก็อยู่ไกลนับโย่จากที่นี่เทพทุกองค์ต่างพากันยินดีที่พระบรมโพธิสัตว์ประสูติแล้วนะ่ะแล้วนั่นทันดาบทลุกขึ้นทำไมกันล่ะข้าจะไปเยี่ยมพระโอรสองค์น้อย ในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจำตระกูลสาเกยะจะได้เห็นกับป้าว่าพระราชโอรสในนิมิตนั้นเป็นมหาบุรุษดังที่ชื่นชมกันหรือไม่น่ะสิท่านกาลาเทวิน ล, ลือสีพูดแล้วก็หอบไปทันทีเอข้าพเจ้าชักสงสัยว่าระหว่างพระราชโอรสกับท่านมหาลือีใครจะต้องไหว้ใครกันแน่ ท่านความทั้งแปดท่านยังอยู่กันพร้อมน่าช่างดีแท้ๆพวกข้าพุทธเจ้าจักกระทําการมงคลถวายพระนามแก่พระราชโอรสพระเจ้าข้าลูกเราควรจะมีนามอย่างไรดีจึงจะมีความหมายว่าเป็นพระกุมารที่หวังประโยชน์ใดประโยชน์นั้นจักสำเร็จได้ขอเดชะพวกข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่า พระราชกุมารมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายจึงขอถวายพระนามว่าพระอังคีรัตราชกุมารส่วนในความหมายที่มหาบาพิษทรงต้องการนั้นขอถวายอีกพระนามว่าพระสิทธัตถราชกุมารพระเจ้าขะสิท ธ, ธัตถะอ๋อช่างเป็นนามที่ดีจริงๆ ที่ข้ามานั้นพระอาจารย์กาลเทวินนีนาขอจองส่งพระเจริญพระเจ้าข้าพระอาจารย์มาเยี่ยมข้าในวันนี้นับว่าเป็นเรื่องงามยามดีจริงๆข้าใช้นำลูกชายมาเคารพนับไหวเพื่อเป็นบางคนแก่ตัวข้ามหาบ่าวพิษสรงอุ่งพระราชโอรสออกมานั่นพระบาทแห่งพระราชโอรส เหมือนมาปรากฏเหนือหัวขา้าโอ้แสดงว่าถ้าพระบรมโพธิสัตว์ทรงนกไหวต่อข้าเมื่อไรหัวของข้าจะแตกเป็นเจ็ดเสียงทันทีลอกเราดูสิท่านกาลเทวินผู้เป็นมหาฤาษีกลับเป็นฝ่ายลุกขึ้นไปอัญชลีต่อพระสิทธัตถราชกุมารทำให้มหาบพิษสุดโททนะต้องทรงไหว้ตามด้วยเห็นไหมประชารย์ไหว้ลูกชายข้า เราคิดว่าเป็นท่ามหาพรหมหรืองไงอาตมารู้สึกเสียใจจริงๆพระอาจารย์ท่านสียใจด้วยเรื่องอันหนถึงได้ร้องไห้น้ำตาไหลอย่างนี้อาตมาเสียใจที่ชีวิตของตอนนี้สั้นนักคงไม่มีโอกาสจะได้อยู่เห็นพระราชกุมารสิทธัตถะปัระชา และสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันน่าเศร้าใจยิ่งนัก หันดีใจที่ท่านลุงมาเยี่ยมหลานถึงที่บ้านได้แต่เหตุใดสีหน้าท่านลุงจึงเศร้าหมองเช่นนี้หรือว่ามีเรื่องร้ายประการใดความจริงได้เกิดสิ่งที่น่ายินดีนะันรกะเพราะที่จะมาตรัสรุ้เป็นพระศพพันอยู่พุทธเจา้าได้บังเกิดขึ้นแล้วแต่ลุงคงจะมีชีวิตอยู่ไม่ทันเห็นต่างจากหลานลุงที่มิวาสนา ได้เป็นพระสาวของพระองค์ท่านจนปันรุอาราธเป็นพระอาหารหันในภายภาคหน้าจริงรือนี่แล้วหลานควรทำอย่างไรดีเจ้าก็ออกบรรพชาเพื่อรอท่าพระพุทธองค์สีนายเลยขอรับท่านลุงกาลเทวินมหาฤาษีหลานจะปลงผมออกบรรพชาตั้งแต่เวลานี้ วถวายบังคมพระเจ้าค่ะพระมเหสีรองเราเป็นห่วงพระราชเทวีผู้เป็นพี่สาวของเราเมื่อไรเจ้าพี่จะทรงหายจากพระอาการประชวนสักทีพระอาญามิพ้นกล่าวหม่อมฉันสิ้นปัญญาที่จะถวายการรักษาแล้วพระเจ้าค่ะแม้แต่ท่านยังสิ้นปัญญาแล้วจะเป็นหมอหลวงไปหาไร สงสัยอายาคงไม่พ้นเกล้าของเจ้าแน่ในคราวนี้เถาวายบังคมเพคะมีเรื่องอันใดหรือคุณท้าวโสภาพระราชาเทวีมีรับสั่งให้หาพระมะเหสีรองเพคะเจ้าพี่มายาทรงเรียกข้าเพคะข้าจะรีบไปดูพระอาการของเจ้าพี่ก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนออกมาจัดการกับท่านใหม่อฮ้ ระครังมาช่วยเอาไว้เลยคานใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยหลัะคุณเท้าใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็พยายามรักษาหัวให้อยู่กับกายด้วยนะท่านหมอเจ้าอยู่เวนเฝ้าเจ้าพี่หรือวิชยา เพคะพระม่เหตสีรอง <c oughs> เจ้ามีอาการไอด้วยหรือนี่ทำไมถึงให้คนป่วยไข้มาดูแลเจ้าพี่ของข้าอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกประชาบดีรถ้าวิชยาผิดที่ป่วยไข้พี่คงต้องผิดมากกว่าเพราะอาการหนักกว่านางเป็นไหนไหนงันก็แล้วไปเพคะออกไปก่อนวิชยาเพคะ เจ้าพี่ให้คุณท้าวโสภาออกไปเรียกหาน้องหรือเพคะถูกแล้วล่ะประชาปดีรพี่ไม่อยากให้น้องตำหนิหรือลงโทษหมอหลวงแต่น้องเป็นห่วงเจ้าพี่นี่เพคะเรามีกันแค่พี่น้องสองคนเท่านั้นและตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าพี่ก็ทรงดูแลน้องอย่างดีเหมือนดังคำกล่าวที่ว่า พี่สาวดีเปรียบดังมารดางั้นก็ถึงเวลาที่พี่จะขอความช่วยเหลือจากน้องบ้างแล้วล่ะหมายความว่าอย่างไรเพคะก็หมายความว่าพี่รู้ตัวดีว่ามีเวลาเหลืออีกไม่มากเท่าไหร่พี่ไม่ห่วงเสด็จพี่สุดโททนะมากนะักเพราะทรงเป็นบุรุษเหนือคนทั้งหลาย นามสนมกานันก็มีหิวมากมายแต่ห่วงสิทธัตถะลูกชายน้อยของพี่ไม่ต้องทรงห่วงใยเพคะน้องรักสิทธัตถะมากจนอยากจะคิดว่าถ้ามีลูกของตนเองก็ยังจะรักไม่เท่าพี่ถึงเบาใจและตั้งใจจะฝากลูกกับน้อยยังไงล่ะประชาบดี แต่น้องก็ไม่อยากให้เจ้าพี่ทรงเป็นอะไรเพคะไม่มีใครเอาชนะพยา ม, มาจราศหรือความตายได้นอกจากวันหนึ่งสิท ธ, ธัตถะอาจจะค้นพบทางดับทุกอันยิ่งใหญ่น่าเสียดายเสียดายที่พี่ไม่มีโอกาสที่อยู่เห็นวันนั้นคงเป็นวันที่ สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และปูงเทพยดาได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร พระนางสลีมหามายาราชเทวีได้เสด็จสวรสดิเมื่อพระกุมารสิทธรรัตถมีพระชนมายุได้เจ็ดวันและด้วยบุญญาบารมีที่ได้เป็นพุทธมารดาทําพระนาไปเกิดเป็นเทพพิดาบนสวรรค์ชั้นสิบมีหมู่เทพพิดาเป็นบริวารีนีส่วนพระนางระชามดีโคตมีได้เป็นพระครามเหตสีของพระเจ้าสุทูตนาและเป็นพระมารดาเลี้ยงต่อมาจนกระทั่ง สิทธาราชกุมารมีพระชนมายุได้แปดพรักรชา